50 languages. Seventy-eight. Yedubatti vondre. Tungkar. Ya. Yedenu virumbudal. Kun y a h t คุณอยากเล่นฟุตบอลไหมุณกัลอยาลลูรุกคุมคอลพั்ธ์เดวเลียออเดไปนดมคุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหมุงกัลอยาลลูรุกคุมนันบักรใครปอร์กับโปก้าไปนดต้องการอยากบริรุปมดิฉันไม่อยากมาสาย எ า க ் க ு தாமதமாக வருவதில் விருப்பமில்லை ยดิฉันไม่อยากไปที่นั่น எனக்கு அங்கு போக விருப்பமில்லை ดิฉันต้องการกลับบ้านยานั ட วีติร์ก செல்லவேண்டும் ด, ดิฉันต้องการอยู่บ้าน எனக்கு வீட்டில் தங்க விருப்பம் ดิฉันต้องการอยู่คนเดียวเยนักตันิอกระยุรุกกะวิรุปปมคุณอยากอยู่ที่นี่ไหมอุนักก์ยิงก์ยุรุกกะวิรุปปมะคุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมอุนักก์ยิงก์ซอปปิดะวิรุปปมอะคุณอยากนอนที่นี่ไหม คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะุณ் க ள ு க ் க ு ந ா ள ைจะ க คลื่อนไปไหนดมคุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ உங்களுக்கு ந ா ள ைงกํ இருக்க வ ி ர ห ப ் ப ம ாคุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ นீ ங ்กันาา น, น่าเลยดอน ட คทตันน ட มแคทต์วิริมบ์ครีร์คลคุณอยากไปดิสโก้ไหมุงกั ล, ล, ลกคนดิสโก้เส ล, ล้ววิรมาคุณอยากไปดูหนังไหมุงกัลทุกคนซนีมเสล้ววิรมาคุณอยากไปร้านกาแฟไหม எல்லோருக்கும் சிற்றுண்டிச் சாலை செல்ல விருப்பமா.